ปัจจุปันนานาคตะวาระว่าด้วยสภาวะธรรมที่เป็นปัจจุบันและที่เป็นอนาคตอนุโลมะบุคคลจะขายยตนะมูลกะในแปสิบหอนุจะขายยตนะของบุคคลใดกำลังเกิดโสตายยตนะของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิปจชิมภวิกะบุคคลผู้กำลังอุบัติในปัญจะ ว, วการภูมิ และบุคคลเหล่าใดจะอุบัติในอรูปภูมิแล้วปรินิพานซึ่งกำลังอุบัติจากคายตนะของบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดแต่โสตายตนะไม่ใช่จากเกิดบุคคลนอกนี้ผู้มีจักขู่เกิดได้กำลังอุบัติจากขายตนะของบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดและโสตายตนะก็จากเกิดปฏิโสตายตนะของบุคคลใดจากเกิดจากขายตนะของบุคคลนั้นก็กาลังเกิดใช่ไหม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 วิปัจฉิมภวิสกาบุคคลผู้กำลังอุบัติในปัญจโวการภูมิและบุคคลเหล่าใดจกอุบัติในรูปาวจรภูมิและอรูปาวจรภูมิและปรินิพานซึ่งกำลังอุบัติจากคายตนะของบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดแต่คานายตนะไม่ใช่จกเกิดบุคคลนอกนี้ผู้มีจกักขุเกิดได้กำลังอุบัติจากขายตนะของบุคคลเหล่านั้นกาลังเกิด และคานายตนะก็จะเกิดปฏิคานายตนะของบุคคลใดจกเกิดจากขายตนะของบุคคลนั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิบุคคลทั้งหมดผู้กําลังจุติและบุคคลผู้มีจักขุเกิดไม่ได้กำลังอุบัติคานายตนะของบุคคลเหล่านั้นจกเกิดแต่จากคายตนะไม่ใช่กําลังเกิดบุคคลผู้มีจักขุเกิดได้กําลังอุบัติคานายตนะของบุคคลเหล่านั้นจกเกิด และจักขายยตนะก็กำลังเกิดอนุจักขายยตนะของบุคคลใดกำลังเกิดรูปายตนะของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิปถิมพวิกะบุคคลผู้กำลังอุบัติในปัญจโวการภูมิและบุคคลเหล่าใดจะอุบัติในรูปภูมิและปรินิพานกำลังอุบัติจักขายยตนะของบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดแต่รูปายตนะไม่ใช่จักเกิด บุคคลนอกนี้ผู้มีจกักขรเกิดได้กําลังอุบัติจากขายาตนะของบุคคลเหล่านั้นกําลังเกิดและรูปลายาตนะก็จะเกิดปติรูปลายาตนะของบุคคลใดจกเกิดจากขายาตนะของบุคคลนั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิบุคคลทั้งหมดผู้กําลังจุติและบุคคลผู้มีจกักขรเกิดไม่ได้กําลังอุบัติรูปลายาตนะของบุคคลเหล่านั้นจกเกิด แต่จักขายัตนะไม่ใช่กําลังเกิดบุคคลผู้มีจกักรเกิดได้กําลังอุบัติรูปายัตนะของบุคคลเหล่านั้นจะเกิดและจักขายัตนะก็กําลังเกิดอนุจักขายัตนะของบุคคลใดกําลังเกิดมานาย <bly> ัตนะของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิปัดชิมภวิคะบุคคลผู้กําลังอุบัติในปัญจโวการภูมิจักขายัตนะของบุคคลเหล่านั้นกาลังเกิด แต่มนายัตนะไม่ใช่จกเกิดบุคคลนอกนี้ผู้มีจกักรเกิดได้กำลังอุบัติจักขายัตนะของบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดและมนายัตนะก็จะเกิดปติมนายจตนะของบุคคลใดจะเกิดจักขายัตนะของบุคคลนั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิบุคคลทั้งหมดผู้กำลังจุติและบุคคลผู้มีจักุเกิดไม่ได้กำลังอุบัติ มานายาตนะของบุคคลเหล่านั้นจะเกิดแต่จักขายาตนะไม่ใช่กำลังเกิดบุคคลผู้มีจกักรเกิดได้กำลังอุบัติมานายาตนะของบุคคลเหล่านั้นจะเกิดและจักขายาตนะก็กำลังเกิดอุจักรายาตนะของบุคคลใดกำลังเกิดธรรมายตนะของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิประชิมภวิกะ บ, บุคคลผู้กำลังอุบัติในปัญจโวการภูมิ จักขายัตณะของบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดแต่ธรไมายัตณะไม่ใช่จักเกิดบุคคลนอกนี้ผู้มีจักขุเกิดได้กำลังอุบัติจักขายัตณะของบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดและธรไมายัตณะก็จักเกิดปฏิธรไมายัตณะของบุคคลใดจักเกิดจักขายัตณะของบุคคลนั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิบุคคลทั้งหมดผู้กำลังจุติ และบุคคลผู้มีจักขู่เกิดไม่ได้กำลังอุบัติธรไมายตนะของบุคคลเหล่านั้นจะเกิดแต่จักขายตนะไม่ใช่กำลังเกิดบุคคลผู้มีจักขู่เกิดได้กำลังอุบัติธรไมายตนะของบุคคลเหล่านั้นจะเกิดและจักขายตนะก็กำลังเกิดจักขายตนะมูลกะในจบคานายตนะมูลกะในแปสิบเจอนุ คานายตนะของบุคคลใดกําลังเกิดรูปายตนะของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิปชิมภวิกะบุคคลผู้กําลังอุบัติในกามาวจรภูมิและบุคคลเหล่าใดจะอุบัติในอรูปภูมิและปรินิพานซึ่งกําลังอุบัติคานายตนะของบุคคลเหล่านั้นกําลังเกิดแต่รูปายตนะไม่ใช่จกเกิดบุคคลนอกนี้ผู้มีคานะเกิดได้กําลังอุบัติ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 บุคคลผู้มีคานะเกิดได้กำลังอุบัตริรูปายตนะของบุคคลเหล่านั้นจะเกิดและคานายตนะก็กำลังเกิดอนุคานายตนะของบุคคลใดกำลังเกิดมนายตนะของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิปชิมภวิกาบุคคลผู้กำลังอุบัติในกามาวจรภูมิคานายตนะของบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดแต่มณายตนะไม่ใช่จะเกิด บุคคลนอกน um, oui, ี้ผู้มีคานะเกิดได้กำลังอุบัติคานายตนะของบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดและมนายตนะก็จะเกิดปติมนายตนะของบุคคลใดจกเกิดคานายตนะของบุคคลนั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิบุคคลทั้งหมดผู้กำลังจุติและบุคคลผู้มีคานะเกิดไม่ได้กำลังอุบัติมนายตนะของบุคคลเหล่านั้นจะเกิด แต่คานายตนะไม่ใช right? ่กำลังเกิดบุคคลผู้มีคานะเกิดได้กำลังอุบัติมานายตนะของบุคคลเหล่านั้นจะเกิดและคานายตนะก็กำลังเกิดอุคานายตนะของบุคคลใดกำลังเกิดธรรมายตนะของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิปาชิมพวิกะบุคคลผู้กำลังอุบัติในการมาวจรภูมิคานายตนะของบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิด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 มนายตนะของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิปชิมพวิกะบุคคลผู้กำลังอุบัติในปัญจะโวการภูมิรูปายตนะของบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดแต่มนายตนะไม่ใช่จะเกิดบุคคลนอกนี้ผู้มีรูปเกิดได้กำลังอุบัติรูปายตนะของบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดและมณายตนะก็จะเกิดปติมนายตนะของบุคคลใดจะเกิด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 ธรรมายจตณะของบุคคล น, นั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิปชิมภวิกะบุคคลผู้กำลังอุบัติในปัญจโวการภูมิรูปายจตนะของบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดแต่ธรรมายจตนะไม่ใช่จกเกิดบุคคล น, นอกนี้ผู้มีรูปเกิดได้กำลังอุบัติรูปายจตนะของบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดและธรรมายจตนะก็จะเกิดปติธรรมายจตนะของบุคคลใดจกเกิด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 มนายัตนาโมลกะในแปดสิเก้าอนุมนายัตนะของบุคคลใดกำลังเกิดธรรมายัตนะของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิปาชิมภวิกะบุคคลผู้กำลังอุบัติมนายัตนะของบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดแต่ธรรมายัตนะไม่ใช่จะเกิดบุคคลนอกนี้ผู้มีจิตเกิดได้กำลังอุบัติมนายัตนาของบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิด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 และมานายาตนะก็กำลังเกิดอนุโลมโอกาสจากขายาตนะมูลกะใน90อนุจากขายาตนะ ใ, ในภูมิใดกำลังเกิดละถึงอนุโลมปุคโลกาสจากขายาตนะมูลกะใน91อนุจากขายาตนะ ข, ของบุคคลใดในภูมิใดกำลังเกิด โสตายัตนะของบุคคล น, นั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิประชิมภวิกรบุคคลผู้กำเนิดอุบัติในปัญจโวการภูมิจกขายัตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกำลังเกิดแต่โสตายัตนะไม่ใช่จะเกิดบุคคลนอกนี้ผู้มีจับเกิดได้กำเนิดอุบัติจกขายัตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกนำลังเกิดและโสตายัตนะก็จะเกิดปฏิ โสตายตณะของบุคคลใดในภูมิใดจกเกิดจากขายายตณะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้กําลังจุติจากปัญจโวกาลภูมิและบุคคลผู้มีจักรเกิดไม่ได้กําลังอุบัติในกามวจรภูมิโสตายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดแต่จากกายายตณะไม่ใช่กําลังเกิดบุคคลผู้มีจักขรเกิดได้กําลังอุบัติ โวตายาตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดและจักขายญาตณะก็กําลังเกิดอนุจักรายญตนะของบุคคลใดในภูมิใดกําลังเกิดคานายญตณะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิประชิมพรวิสระบุคคลผู้กําลังอุบัติในกามวจรภูมิและรูปาวจรภูมิจักขายญาตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกําลังเกิดแต่คานายญาตนะไม่ใช่จักเกิด บุคคลนอกนี้ผู้มีจักรเกิดได้กําลังอุบัติในกามวจรภูมิจากขายาตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกําลังเกิดและคานายาตนะก็จะเกิดปติคานายาตนะของบุคคลใดในภูมิใดจกเกิดจากขายาตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้กําลังจุติจากกลามาวจรภูมิ และบุคคลผู้มีจักขูคเกิดไม่ได้กำลังอุบัติในกามวจรภูมิคานายจตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดแต่จักรายจตนะไม่ใช่กำลังเกิดบุคคลผู้มีจักขูคเกิดได้กำลังอุบัติในกามวจรภูมิคานายจตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดและจักขายตนะก็กำลังเกิดอนุจักขายตนะของบุคคลใดในภูมิใดกำลังเกิด รูปายัตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิปัจฉิมภวิกะบุคคลผู้กําลังอุบัติในปัญจโวการภูมิจากขายัตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกําลังเกิดแต่รูปลายัตนะไม่ใช่จากเกิดบุคคลนอกนี้ผู้มีจักขโเกิดได้กําลังอุบัติจากขายัตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกําลังเกิดและรูปลายัตนะก็จะเกิดปฏิ รูปายตนะของบุคคลใดในภูมิใดจะเกิดจกขายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้กำลังจุติจากปัญจัวกรภูมิบุคคลผู้ไม่จากขุเกิดไม่ได้กำลังอุบัติในกาโมวจรภูมและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอสัญญัตตาูมิรูปายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดแต่จกขายตนะไม่ใช่กาลังเกิด บุคคลผู้มีจักขู of <h uk cringe tecnología> ่เกิดได้กำลังอุบัติรูปลายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดและจักขายตนะก็กำลังเกิดอนุจักขายตนะของบุคคลใดในภูมิใดกำลังเกิดมนายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิปชิมพวิกรบุคคลผู้กำลังอุบัติในปัญจโวกราภูมิจักขายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกำลังเกิด แต่มนายตนะไม่ใช่จกเกิดบุคคลนอกนี้ผู้มีจักรผุเกิดได้กำลังอ um ุบัติจากขายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกำลังเกิดและมนายตนะก็จะเกิดปฏิมนายตนะของบุคคลใดในภูมิใดจะเกิดจากขายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กาลังเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้กาลังจุติจากปัญจโวการภูม บุคคลผู้มีจักรผุเกิดไม่ได้กำลังอุบัติในกามาวจรภูมิและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอรูปภูมิมนญญายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดแต่จักขายตนะไม่ใช่กำลังเกิดบุคคลผู้มีจักรผุเกิดได้กำลังอุบัติมนญญายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดและจักขายตนะก็กำลังเกิดอนุจักรายตนะของบุคคลใดในภูมิใดกำลังเกิด ธรรมายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมหปชิมภวิกะบุคคลผู้กําลังอุบัติในปัญจโวการภูมิจักขายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกนําลังเกิดแต่ธรรมายตนะไม่ใช่จักเกิดบุคคลนอกนี้ผู้มีจักขั่วเกิดได้กําลังอุบัติจักขายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกนําลังเกิดและธรรมายตนะก็จักเกิดปฏิ ธรรมายตนะของบุคคลใดในภูมิใดจะเกิดจกขายยตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิบุคคลทั้งหมดผู้กำลังจุติและบุคคลผู้มีจักขูรเกิดไม่ได้กำลังอุบัติธรรมายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดแต่จัการตนะไม่ใช่กำลังเกิดบุคคลผู้มีจักรครูเกิดได้กำลังอุบัติธรรมายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิด และจักขายัตณะก็กำลังเกิดจักรขายัตนะมูลกะในจบคานายัตนะมูลกะใน9กสองอนุคานายัตนะของบุคคลใดในภูมิใดกำลังเกิดรูปายัตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมฮุยปาชิมภวิกรบุคคลผู้กำลังอุบัติในกามาวจรภูมิคานายัตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกำลังเกิด แต่รูปายตนะไม่ใช่จกเกิดบุคคลนอกนี้ผู้มีคานะเกิดได้กำลังอุบัติคานายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกำลังเกิดและรูปายตนะก็จะเกิดปฏิรูปายตนะของบุคคลใดในภูมิใดจะเกิดคานายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้กำลังจติจากการมาวจรภูมิ บุคคลผู้มีคานะเกิดไม่ได้กำลังอุบัติในกาลบาวจรภูมิและ <uelle> บุคคลผ <futures> um <c ressed> <ria> ู้อุบัติอยู่ในรูปบาวจรภูมิรูปายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจักเกิดแต่คานายตนะไม่ใช่กำลังเกิดบุคคลผู้มีคานะเกิดได้กำลังอุบัติรูปายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจักเกิดและคานายตนะก็กำลังเกิดอนุคานายตนะของบุคคลใดในภูมิใดกำลังเกิด มานายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จกเกิดใช่ไหมวิประชิมภวิกะบุคคลผู้กําลังอุบัติในกามาวจรภูมิคานายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกําลังเกิดแต่มานายตนะไม่ใช่จกเกิดบุคคลนอกนี้ผู้มีคานะเกิดได้กําลังอุบัติคานายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกําลังเกิดและมานายตนะก็จะเกิดปฏิ มนายตนะของบุคคลใดในภูมิใดจะเกิดคานายตนะของบุคลใใบคลนั้นในภูมินั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้กำลังจุติจากกลางวจรภูมิบุคคลผู้มีคานะเกิดไม่ได้กำลังอุบัติในกลางวจรภูมิบุคคลผู้อุบัติอยู่ในรูปาวจรภูมิและอรูปาวจรภูมิมนายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดแต่คานายตนะไม่ใช่กำลังเกิด บุคคลผู้มีคานะเกิดได้กำลังอุบัติมานายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดและคานายตนะก็กำลังเกิดอนุคานายตนะของบุคคลใดในภูมิใดกำลังเกิดธรรมายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิปชิมภวิกรบุคคลผู้กำลังอุบัติในกาลวจรภูมิคานายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกำลังเกิด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 มนายัตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิปชิมภวิกละบุคคลผู้กําลังอุบัติในปัญจโวการภูมิและบุคคลผู้กําลังอุบัติในอสัญญสัตตภูมิรูปายัตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกําลังเกิดแต่มนายัตนะไม่ใช่จักเกิดบุคคลนอกนี้ผ э. so ู้กําลังอุบัติในปัญจโวการภูมิรูปายัตตณะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกําลังเกิด และมนายัตนะก็จะเกิดปติมนายัตนะของบุคคลใดในภูมิใดจกเกิดรูปายัตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้กําลังจุติจากปัญจโวการภูมิและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอรูปภูมิมนายัตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดแต่รูปายัตนะไม่ใช่กําลังเกิดบุคคลผู้กําลังอุบัติในปัญจโวโครภูมิ มายัตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดและรูปายัตนะก็กำลังเกิดอ น, นุรูปายัตนะของบุคคลใดในภูมินใดกำลังเกิดธรรมายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิปชิมภวิกะบุคคลผู้กำลังอุบัติในปัญจโวการภูมิรูปายัตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกำลังเกิดแต่ธรรมายตนะไม่ใช่จกเกิด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 แต่รูปายัตนะไม่ใช่กำลังเกิดบุคคลผู้มีรูปเกิดได้กำลังอุบัติธรรมายัตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดและรูปายัตนะก็ำ ก, ะ ก, ะะ ก, ะะกำลังเกิดรูปายัตนะมูลกะในจบมัญญายตนะมูลกะใน94อนุมนญญายตนะของบุคคลใดในภูมิใดกำลังเกิดธรรมายัตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิ ปชิมพวิกะบุคคลผู้กำลังอุบัติมนายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกำลังเกิดแต่ธรรมายตนะไม่ใช่จกเกิดบุคคลนอกนี้ผู้มีจิตเกิดได้กำลังอุบัติมนายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกำลังเกิดและธรรมายตนะก็จะเกิดปฏิธรรมายตนะของบุคคลใดในภูมิใดจกเกิดมนายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิ บุคคลทั้งหมดผู้กําลังจุติและบุคคลผู้มีจิตเกิดไม่ได้กําลังอุบัติธรรมยตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดแต่มยนยนตนะไม่ใช่กําลังเกิดบุคคลผู้มีจิตเกิดได้กําลังอุบัติธรรมยตนะของบุคคลเหล่านั้นจะเกิดและมนยนตนะก็กําลังเกิดมานายนตนะมูลกะในจบปัจจนิกะบุคคลจะขายยตนะมูลกะใน เก้าหอนุจากคลายยตนะของบุคคลใดไม่ใช่กําลังเกิดโสตายยตนะของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จักเกิดใช่ไหมวิบุคคลทั้งหมดผู้กําลังจุติและบุคคลผู้มีจักผุเกิดไม่ได้กําลังอุบัติจากคลายยตนะของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กําลังเกิดแต่โสตายยตนะมิใช่จักไม่เกิดบุคคลผู้กําลังปรินิพานในปัญจโวการภูมิปัจฉิมภวิกละบุคคลในอรูปภูมิ และบุคคลเหล่าใดจากอุบัติในอรูปภูมิและปรินิพานซึ่งกำลังจุติจากขายยตนะของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังเกิดและโสตายตนะก็ไม่ใช่จากเกิดปฏิโสตายตนะของบุคคลใดไม่ใช่จากเกิดจากขายยตนะของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิปะชิมพวิกระบุคคลผู้กำลังอุบัติในปัญจวกรภูมิ และบุคคลเหล่าใดจะอุบัติในอรูปภูมิและปรินิพานซึ่งกำลังอุบัติโสตายตนะของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จักเกิดแต่จักขายตนะไม่ใช่มีกำลังเกิดบุคคลผู้กำลังปรินิพานในปัญจโวการภูมิปัดฉิมภวิกะบุคคลในอรูปภูมิและบุคคลเหล่าใดจะอุบัติในอรูปภูมิและปรินิพานกำลังจุติโสตายตนะของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จักเกิด และจักขายยตนะก็ไม่ใช่กำลังเกิดอนุจักขายยตนะของบุคคลใดไม่ใช่กำลังเกิดคานายตนะของบุคคล น, นั้นก็ไม่ใช่จักเกิดใช่ไหมวิบุคคลทั้งหมดผู้กำลังจุติและบุคคลผู้มีจกักโขเกิดไม่ได้กำลังอุบัติจักขายยตนะของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังเกิดแต่คานายตนะไม่ใช่จักไม่เกิดบุคคลผู้กำลังปริญิพานในปัญจวโวการภูมิ ปชิมพวิกะบุคคลในรูปภูมิและบุคคลเหล่าใดจะอุบัติในรูปาวจรภูมิและอรูปาวจรภูมิและปรินิพานซึ่งกำลังจุติจากคายาตนะของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังเกิดและคานายาตนะก็ไม่ใช่จกเกิดปฏิคานายาตนะของบุคคลใดไม่ใช่จกเกิดจากขายาตนะของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิ ปัดฉ ok ิมภวิกระบุคคลผู้ก <k od life> ําลังอุบัติในปัญจโวการภูมิและบุคคลเหล่าใดจับอุบัติในรูปาวจรภูมิและอรูปาวจรภูมิและปรินิพานซึ่งกํำลังอุบัติคานายตนะของบุคคลเหล่านั้นจะเกิดแต่จักคานายตนะไม่ใช่ไม่กําลังเกิดบุคคลผู้กําลังปรินิพานในปัญจโวการภูมิปัดฉิมภวิกระบุคคลในรูปภูมิบุคคลเหล่าใดจับอุบัติในรูปาวจรภูมิ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 จากขายัตนะของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังเกิดแต่รูปายัตนะไม่ใช่จักไม่เกิดบุคคลผู้กำลังปรินิพานในปัญจโวการภูมิปัจฉิมพวิกะบุคคลในรูปภูมิและบุคคลเหล่าใดจากอุบัติในรูปภูมิและปรินิพานซึ่งกำลังจุติจากขายัตนะของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังเกิดและรูปลายัตนะก็ไม่ใช่จักเกิดปฏิรูปลายัตนะของบุคคลใดไม่ใช่จักเกิด จักขายัตนะของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิปัจฉิมภวิกละบุคคลผู้กำลังอุบัติในปัญจโวการะพูมิและบุคคลเหล่าใดจักรอุบัติในรูปภูมิและปรินิพานซึ่งกำลังอุบัติรูปลายัตนะของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จักเกิดแต่จักขายัตยณะไม่ใช่ไม่กำลังเกิดบุคคลผู้กำลังปรินิพานในปัญจโวการะพูมิปัจฉิมภวิกละบุคคลในรูปภูมิ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 จักขายยตนะของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังเกิดแต่มานายนตนะไม่ใช่จักไม่เกิดบุคคลผู้กำลังปรินิพานในปัญจโวการภูมิและปฏิมภวิกระบุคคลในรู ป, ปภูมิจักขายยตนะของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังเกิดและมานายนตนะก็ไม่ใช่จักเกิดปาติมานายนยตนะของบุคคลใดไม่ใช่จักเกิดจักขายยตนะของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิ ปัจฉิมพวิกะบุคคลผู้กำลังอุบัติในปัญจวการภูมิมนายตนะของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จกเกิดแต่จักขายตนะไม่ใช่ไม่กำลังเกิดบุคคลผู้กำลังปริพทานในปัญจวการภูมิและปัจฉิมพวิกระบุคคลในรูปภูมิมนายตนะของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จกเกิดและจักขายตนะก็ไม่ใช่กาลังเกิดอนุจักขายตนะของบุคคลใดไม่ใช่กาลังเกิด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 และธรรมายตนะก็ไม่ใช่จักเกิดปฏิธรร ม, ม า, กก า, ายตนะของบุคคลใดไม่ใช่จักเกิดจากขายยตนะของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กําลังเกิดใช่ไหมวิประชิมพระวิกคะบุคคลผู้กําลังอุบัติในปัญจโวการภูมิธรรมายตนะของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จักเกิดแต่จากขายยตนะไม่ใช่ไม่กําลังเกิดบุคคลผู้กําลังปริญผานในปัญจโวการภูมิ และปัดชิมพวิกระบุคคลในรู ป, ปภูมิธรรมยจตนะของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จักเกิดและจักขายจตนะก็ไม่ใช่กำลังเกิดจักขายจตนาโมลกะในจรคานายจตนาโมลกะใน96อนุคานายจตนะของบุคคลใดไม่ใช่กำลังเกิดรูปายจตนะของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จักเกิดใช่ไหมวิบุคคลทั้งหมดผู้กำลังจุติ และบุคคลผู้มีคานะเกิดไม่ได้กำลังอุบัติคานายตนะของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังเกิดแต่รูปายตนะไม่ใช่จักไม่เกิดบุคคลผู้กำลังปริญิพานในคามาวจรภูมิปัจฉิมภวิกะบุคคลในรูปาวจรภูมิและอรูปาวจรภูมิและบุคคลเหล่าใดจากอุบัติในอรูปภูมิและปริญิพานซึ่งกำลังจุติคานายตนะของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังเกิด และรูปายตนะก็ไม่ใช่จกเกิดปติรูปายตนะของบุคคลใดไม่ใช่จกเกิดคานายตนะของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กําลังเกิดใช่ไหมวิปถิมภวิกะบุคคลผู้กําลังอุบัติในกามวจรภูมิและบุคคลเหล่าใดจะอุบัติในรูปภูมิและปรินิพานซึ่งกําลังอุบัติรูปายตนะของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จกเกิดแต่คานายตนะไม่ใช่ไม่กําลังเกิด บุคคลผู้กำลังปรินิพานในกลามาวจรภูมิปชิมภวิกะบุคคลในรูปาวจรภูมิและอรูปาวจรภูมิและบุคคลเหล่าใดจักอุบัติในอรูปภูมิและปรินิพานซึ่งกำลังจุติรูปายตนะของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จักเกิดและคานายตนะก็ไม่ใช่กำลังเกิดอนุคานายตนะของบุคคลใดไม่ใช่กำลังเกิดมานายตนะธรรมายตนะ ของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จักเกิดใช่ไหมวิบุคคลทั้งหมดผู้กำลังจุติและบุคคลผู้มีคานะเกิดไม่ได้กำลังอุบัติคานายตนะของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังเกิดแต่ธรไมายตนะไม่ใช่จักไม่เกิดบุคคลผู้กำลังปรณิพาในกลามาวจรภูมิปัจฉิมภวิกะบุคคลในรูปา ว, วจรภูมิและอรูปาวจรภูมิคานายตนะของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กาลังเกิด และธรรมายตนะว่าไม่ใช่จักเกิดปฏิธรรมายตนะของบุคคลใดไม่ใช่จักเกิดคานายตนะของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กําลังเกิดใช่ไหมวิปาถิมภวิกะบุคคลผู้กําลังอุบัติในกลามาวจรภูมิธรรมายตนะของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จักเกิดแต่คานายตนะไม่ใช่ไม่กําลังเกิดบุคคลผู้กําลังปริญิพานในกลามาวจรภูมิ ปาถิมเพวิกละบุคคลในรูปาวจรภูมิและอรูปาวจรภูมิธรรมายตนะของบุคคลเหล่าน <now> ั้นไม่ใช่จักเกิดและคานายตนะก็ไม่ใช่กำลังเกิดคานายตนะมูลกะในจบรูปายตนะมูลกะในเก้าสิเจดอนุรูปายตนะของบุคคลใดไม่ใช่กำลังเกิดมานายตนะธรรมายตนะของบุคคลนั้นก <at> <oughs> ็ไม่ใช่จักเกิดใช่ไหม บุคคลทั้งหมดผู้กำลังจุติและบุคคลผู้มีรูปเกิดไม่ได้กำลังอุบัติรูปายตนะของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังเกิดแต่ําไมายตนะไม่ใช่จักไม่เกิดบุคคลผู้กำลังปรินิพานในปัญ จ, จโวการภูมิและปัจฉิมพวิกะบุคคลในรูปภู ม, มิรูปายตนะของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังเกิดและธรรมายตนะก็ไม่ใช่จักเกิดปฏิ ธรรมายตนะของบุคคลใดไม่ใช่จักเกิดรูปายตนะของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิปัจฉิมภวิกะบุคคลผู้กำลังอุบัติในปัญจโวการภูมิธรรมายตนะของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จักเกิดแต่รูปายตนะไม่ใช่มี่อกำลังเกิดบุคคลผู้กำลังปรินิพานในปัญจโวการภูมิและปัจฉิมภวิกะบุคคลในรูปภูมิธรรมายตนะของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จักเกิด และรูปายตนะก็ไม่ใช่กำลังเกิดรูปายตนะมูลกะในจบมนายตนะมูลกะใน๙๘อนุมนายตนะของบุคคลใดไม่ใช่กำลังเกิดธรรมายตนะของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จักเกิดใช่ไหมวิบุคคลทั้งหมดผู้กำลังจุติและบุคคลผู้มีจิตเกิดไม่ได้กำลังอุบัติมนายตนะของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังเกิด แต่ธรรมายตนะไม่ใช่จากเมื่อเกิดบุคคลผู้กำลังปริพพานมนายตนะของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังเกิดและธรรมายตนะก็ไม่ใช่จากเกิดปาติธรรมายตนะของบุคคลใดไม่ใช่จากเกิดมนายตนะของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิปาชิมภวิกะบุคคลผู้กำลังอุบัติธรรมายตนะของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จากเกิด แต่มานายตนะไม่ใช่ไม่กำลังเกิดบุคคลผู้กำลังปริณิพานธรร ม, มายตนะของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จกเกิดและมานายตนะก็ไม่ใช่กำลังเกิดมานายตนะมูลกะในจบปัจจเนกาโอกาสจากขายตนะมูลกะใน99อนุจากขายตนะในภูมิใดไม่ใช่กำลังเกิดละถึง ปั จ, จเนก บ, บุคโลกาตจากขายยตนาโมลกะในหนึ่งรอนุจากขายาาขายตนะของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กำลังเกิดโสตายยตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จักเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้กำลังจุติจากปัญจะววการะภูมิและบุคคลผู้มีจกักหุเกิดไม่ได้กำลังอุบัติในกามาวจรภูมิจากขายยตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังเกิด แโสตายตนะไม่ใช่จักไม่เกิดบุคคลผู้กําลังปรินิพพานในปัญจโวการะพูมิบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอสัญญัตตภูมิและอรูปพูมิจักขายาตนะของบุคคลเหล่านั้นในภู ม, มินั้นไม่ใช่กําลังเกิดแต่โสตายตนะก็ไม่ใช่จักเกิดปฏิโส so ต า, า, ายตนะของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จักเกิดจักขายาตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กําลังเกิดใช่ไหมวิ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 จักขายยตนะของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กำลังเกิดขานายยตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จักเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้กำลังจุติจากกรรมวจรภูมิและบุคคลผู้มีจักโผล่เกิดไม่ได้กำลังอุบัติในการมวจรภูมิจักขายยตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังเกิดแต่ขานายยตนะไม่ใช่จักไม่เกิดบุคคลผู้กำลังปริญญาในการมวจรภูมิ บุคคลผู้กำลังจุติจากรูปาวจรภูมิบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอน ส, สัญญาสัตตภูมิและอรูปภูมิจากขายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังเกิดและคานายตนะก็ไม่ใช่จักเกิดปฏิคานายตนะของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จักเกิดจากขายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิ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 และจักขายยตนะก็ไม่ใช่กําลังเกิดอนุจักขายยตนะของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กําลังเกิดรูปลายตนะของบุคลลบคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จักเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้กําลังจุติจากปันเจกวการะภูมิบุคคลผู้มีจกักขุเกิดไม่ได้กําลังอุบัติในกามาวจรภูมิและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอสัญญัตตภูมิ จากขายัตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังเกิดแต่รูปายัตนะไม่ใช่จากไม่เกิดบุคคลผู้กำลังปรินิพพานในปัญจโวการภูมิและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอรูปภูมิจากขายัตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังเกิดและรูปายัตนะก็ไม่ใช่จากเกิดปฏิรูปายัตนะของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จากเกิด จักขายาตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิปัจฉิมภวิกะบุคคลผู้กำลังอุบัติในปัญจโวการภูมิรูปายาตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จกเกิดแต่จักขายาตนะไม่ใช่ไม่อกำลังเกิดบุคคลผู้กำลังปริณิพาในปัญจโวการภูมิและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอรูปภูมิรูปายาตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จกเกิด และจักขายาตนะก็ไม่ใช่กำลังเกิดอนุจักขายัตนะของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กำลังเกิดมนายาตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จกเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้กำลังจุติจากปันจโวการภูมิบุคคลผู้มีจักขูเกิดไม่ได้กำลังอุบัติในกามาวจรภูมิและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอรูปภูมิจักขายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังเกิด แต่มนายนตนะไม่ใช่จักไม่เกิดบุคคลผู้กําลังปรินิพานในปัญจโวการภูมิปัจฉิมพวิกะบุคคลในรูปภูมิและบุคคลผู้อุบาตวอยู่ในอสัญญสัตตภูมิจักขายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กําลังเกิดและมนยนตนะก็ไม่ใช่จักเกิดปฏิมนายนตนะของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จักเกิดจักขายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กําลังเกิดใช่ไหม วิปาช mm ิมภวิกระบุคคลผู้กําลังอุบัติในปัญจโวการภูมิมนายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จกเกิดแต่จักขายตนะไม่ใช่ม่กําลังเกิดบุคคลผู้กําลังปรินิพานในปัญจโวการภูมิปาชิมภวิกระบุคคลในรูปภูมิและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอสัญญสัตภูมิมนายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จกเกิดและจักขายตนะก็ไม่ใช่กําลังเกิด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 และปาชิมภวิกระบุคคลในรูปภูมิจกขายยตณะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังเกิดและธรรมยตนะก็ไม่ใช่จกเกิดปฏิธรรมยตนะของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จกเกิดจกขายยตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิปาชิมภวิกระบุคคลผู้กำลังอุบัติในปัญจโวการภูมิธรรมยตณะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จกเกิด แต่จักขายาตนะไม่ใช่ไม่กำลังเกิดบุคคลผู้กำลังปรินิพานในปัญจวโวการภูมิและปะเฉิมภวิกะบุคคลในรูปภูมิธรรมายาตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จกเกิดและจักขายาตนะก็ไม่ใช่กำลังเกิดจักขายาตนะมูลกะในจกคานายาตนะมูลกะในร้อยหนึ่งอนุ คาณาญตนะของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กำลังเกิดรูปายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จักเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้กำลังจุติจากกา마วจรภูมิบุคคลผู้มีคานะเกิดไม่ได้กำลังอุบัติในปา마วจรภูมิและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในรูปาวจรภูมิคานาญตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังเกิดแต่รูปายตนะไม่ใช่จักไม่เกิด บุคคลผู้คำลังปรินิพพานในกามอาวจรภูมิปัจฉิมพวิกะบุคคลในรูปาวจรภูมิและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอรูปภูมิคานายตนะของบุคคลเหล่ลานั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังเกิดและรูปายตนะก็ไม่ใช่จักเกิดปฏิรูปายตนะของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จักเกิดคานายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิ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 บุคคลผู้กำลังปรินิพานในการมวจรภูมิปฏิบัติพภักดิ์บุคคลในรูปราวจรภูมิและอรปรปาวจรภูมิและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอสัญญสัตตภูมิคานายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังเกิดและมานายตนะก็ไม่ใช่จากเกิดปติมานายตนะของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จากเกิดคานายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหม ปัจฉิมภวิกรบุคคลผู้กําลังอุบัติในกามาวจรภูมิมนายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จกเกิดแต่พานายตนะไม่ใช่ไม่กําลังเกิดบุคคลผู้กําลังปริญิพานในกามาวจรภูมิปัจฉิมภวิกรบุคคลในรูปาวจรภูมิและอรูปาวจรภูมิและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอสัญญัตตภูมิมนายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จกเกิด และคานายจตนะก็ไม่ใช่กำลังเกิดอนุคานายจตนะของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กำลังเกิดธรรมายจตนะของบุคนนนน yep. บคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จักเกิดใช่ไหมวิบุคคลทั้งหมดผู้กำลังจุติและบุคคลผู้มีคานะเกิดไม่ได้กำลังอุบัติคานายจตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังเกิดแต่ธรรมายจตนะไม่ใช่จักไม่เกิด บุคคลผู้กําลังปรินิพานในการมาวจรภูมิปัทิมพวิกะบุคคลในรูปาวจรภูมิและอรูปาวจรภูมิคานายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กาลังเกิดและธรรมายตนะก็ไม่ใช่จักเกิดปฏิธรรมายตนะของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จักเกิดคานายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กาลังเกิดใช่ๆๆไหมวิ ปัะชิมพระวิกรบุคคลผู้กำลังอุบัติในกางมวจรภูมิทำไายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จกเกิดแต่คานายตนะไม่ใช่ไม่กำลังเกิดบุคคลผู้กำลังปรินิพานในกลางมวจรภูมิปัจฉิมพระวิกรบุคคลในรูปาวจรภูมิและอรูปาวจรภูมิทำไายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จกเกิดและคานายตนะกก็ไม่ใช่กำลังเกิด คลานายตนะมูลกะในจบรูปายตนะมูลกะในรอยออนุรูปายตนะของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กำลังเกิดมนายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้กำลังจุติจากปัญจะววคารภูมิและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอรูปภูมิรูปายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังเกิด แต่มานายนตะนะไม่ใช่จากไม่เกิดบุคคลผู้กำลังปริญิพานในปัญจโวการภูมิปัจฉิมภวิกรบุคคลในรูปภูมิและบุคคลผู้กำลังจุติจากอสัญญสัตภูมิรูปายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังเกิดและมานายนิตนะก็ไม่ใช่จากเกิดปฏิมานายนตนะของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จากเกิดรูปายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหม ปัจฉิมพวิกรบุคคลผู้กําลังอุบัติในปัญจโวการภูมิและบุคคลผู้กําลังอุบัติในอสัญญสัตภูมิมนายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จะเกิดแต่รูปายตนะไม่ใช่ไม่กําลังเกิดบุคคลผู้กําลังปริณิพานัในปัญจโวการภูมิปัจฉิมภวิกรบุคคลในอรูปภูมิและบุคคลผู้กําลังจุติจากอาสัญญสัตภูมิ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 ปชิมภวิกะบุคคลผู้กําลังอุบัติในปัญจโวการภูมิทำมาเยตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จักเกิดแต่รูปายเยตนาไม่ใช่ไม่กําลังเกิดบุคคลผู้กําลังป ร, รินิพพานในปัญจโวการภูมิและปชิมภวิกะบุคคลในรูปภูมิทำมาเยตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จักเกิดและรูปายเยตนะก็ไม่ใช่กําลังเกิดรูปายเยตนามูลกะในจบ มนายัตนะมูลกะในร้อยสามอนุมนายัตนะของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กำลังเกิดธรรมยัตนะของบุคคลนั้นในภูมนินั้นก็ไม่ใช่จักเกิดใช่ไหมวิบุคคลทั้งหมดผู้กำลังจุติและบุคคลผู้มีจิตเกิดไม่ได้กำลังอุบัติมนายัตนะของบุคคลเหล่านั้น ใ, ในภูมนินั้นไม่ใช่กำลังเกิดแต่ธรรมยัตนะไม่ใช่จักไม่เกิดบุคคลผู้กำลังปรินิพาน มานายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังเกิดและธรรมายตนะก็ไม่ใช่จักเกิดปตฏิธรรม า, ายตนะของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จักเกิดมานายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิปัจชิมภวิกะบุคคลผู้กำลังอุบัติธรรมายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จักเกิดแต่มนายตนะไม่ใช่ไม่กำลังเกิด บุคคลผู้กำลังปรินิพานธรรมายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จักเกิดและมานายตนะก็ไม่ใช่กำลังเกิดมานายตนะมูลกะในเจา